ข้อความในจริยาปิดกต่อจากครั้งที่แล้วมหาโควินทัศจริยาข้อหหน้า92พระองค์ตรัสเล่าให้พระสารีบทฟังว่าในการเมื่อเราเป็นพรามนามว่ามหาโควินเป็นปุโรหิตของพระราชาเจ็ดพระองค์อันนรชนและ เ, เทวดาเนี่ยบูชา ก็คือเป็นที่เคารพเป็นที่บูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายาแสดงว่ามหาโควินทพรามคนนี้เป็นผู้ที่น่าเลื่อมใสมากในการนั้นเครื่องบรรณาการอันใดในราชาอาณาจักรทั้งเจ็ดได้มีแล้วแก่เราคือผู้ที่พระราชานับถือพระราชาก็ส่งเครื่องสักการะส่งเครื่องบำรุงเป็นอย่างมาก ท่านก็เป็นคนที่มั่งคั่งไปด้วยโภคะเราได้ให้มหาทานร้อยล้านแสนโกดนะก็คือให้เยอะมากเลยนะเท่าที่ที่คนที่จะพึงง่ายได้การให้ของพระองค์นี่เปรียบด้วยสาครด้วยบรรณาการนั้นคือเครื่องบรรณาการเครื่องสกราระมีมีปริมาณที่มากท่านก็สามารถที่จะให้ทานอย่างมากเราจะเกลียดทรัพย์และข้าวเปลือกก็หาไม่ได้ และเราจะไม่มีการสั่งสมก็หาไม่ได้ก็คือทรัพย์สินเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นที่รังเกียจไม่ได้เป็นที่เกลียดชังจะเรียกว่าสุรุยสุรายไม่มีการเก็บเล็กผสมน้อยเป็นต้นก็ไม่ใช่แต่พระสัพพัญยุตยานเป็นที่รักของเราฉะนั้นเราจึงให้ทานอย่างประเสริฐชนิแลเนื่องจากว่าปรารถนา สัพพัญยุตยานปรารถนาโพธยานปรารถนาการตรัสรู้เนื่องจากมีความปรารถนาที่จะตรัสรู้จึงได้มีการบริจาคที่ยิ่งใหญ่การบริจาคเหล่านี้จะได้เป็นไปเพื่อการตรัสรูอ้อธิบายว่าสัตตราชปุโรหิโตก็คือเป็นปุโรหิตผู้เป็นอนุสาสก ก็คือผู้ถวายอนุชาสต์สั่งสอนในราชกิจแด่พระราชาเจ็ดพระองค์มีพระราชาพระนามวัตตภูเป็นต้นมหาโควินตพรามปกติแล้วท่านเป็นผู้ที่เทวดาและมนุษย์บูชาเพราะว่าเทวดาและมนุษย์ในชมพูทวีปบูชามหาโควินตพรามเนี่ยด้วยปัจจัยสี่และก็ด้วยเครื่องสักการะเครื่องเคารพนับถือ เรียกว่าเป็นคนที่พระราชาเคารพนับถือนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มากพระราชาไม่ใช่พระราชาเมืองเดียวที่เคารพนับถือพระราชาเจ็ดเมืองเนี่ยนะซึ่งกินกินเนื้อที่อินเดียทั้งหมดเนี่ยนะท่านท่านไม่ได้เป็นกษัตริย์แต่ว่ายิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์เพราะเป็นเป็นผู้ที่เขาศัตริ์ักดิ์เนี่ยเคารพนับถือท่านเชื่อว่ามหาโควินท์าเนี่ยนะ เพราะเป็นผู้มีอนุภาพมากเพราะได้รับการแต่งตั้งโดยอภิเสกให้เป็นโควินทะเพราะว่าพระโพธิสัตว์ได้ชื่อนี้ตั้งแต่วันอภิเศกคำว่ามหาโควินทะเนี่ยมันเป็นตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่มากะนะไม่ใช่ชื่อแท้เพราะชื่อเดิมของท่านท่านมีชื่อว่าโชติปาละได้ยินว่าในวันที่โชติปาละเกิดสภาวธทั้งหลายก็สว่างสวยัยนะ สาราอาวุธสว่างขึ้นในขณะที่เกิดก็เลยมีชื่อว่าโชติปาละแม้พระราชาทอดพระเนตรเห็นมังคลาวุธของพระองค์สว่างสวัยในตอนใกล้รุ่งพระองค์ก็สะดุ้งพระไทยตรัสถามปุโรหิตปุโรหิตก็คือพ่อของพระโพธิสัตว์นั่นแหละผู้มาปฏิบัติราชการปุโรหิตก็ทูลให้เบาพระไทยให้สบายใจว่าขอเดชะพระมหาราชเจ้า ขอพระองค์อย่าทรงหวาสดุ้งไปเลยบุทของข้าพระองค์เกิดด้วยอนุภาพของบุรนั้นน่ะมิใช่แต่ในกรุงราชครึกเท่านั้นแม้แต่ในเมืองทั้งสิ้นอาวุธทั้งหลายก็สว่างสวัยนะด้วยผลแห่งบุญของพระราชของโชติปาระทาให้อาวุธทั่วแผ่นดินเนี่ยสว่างสวัยหมดเลยเครื่องสัตราสว่างขึ้นเองด้วยบุญ อันตรายก็จะไม่เกิดขึ้นแก่พระองค์เพราะอาศัยบุตรของข้าพระองค์อันหนึง่งในชมพูทวีปทั้งหมดจกหาผู้ที่มีปัญญาเสมอด้วยบุตรของข้าพระองค์ไม่มีเด็กคนนี้จะเป็นคนฉลาดที่สุดในแผ่นดินเพราะการที่อาวุธสว่างขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นบุพนิมิตของของเขาพระเจ้าขา้าเป็นบุบุพนิมิตเป็นเครื่องหมาย เป็นเครื่องหมายประกาศให้รู้ว่าเขาเกิดมาเพื่อความเป็นผู้ที่มีปัญญาเขาจะเป็นคนฉลาดที่สุดในแผ่นดินเหมือนกันพระราชาก็ทรงยินดีพระราชทานทรัพย์หนึ่งพันแล้วก็ตรัสว่าจงเป็นข้าน้ำนมของพ่อกูมานเถิดลดแอคคนิดหนึง่งคือพระราชาเนี่ยท่าน <c oughs> มีใจกรุณานะ ปรารถนาที่จ ะ, ะบำรุงก็เลยให้ค่าเลี้ยงดูให้ค่าน้านมเนี่ยพันหนึ่งพันหนึ่งสมัยนั้นเนี่ยถือว่ามากแล้วพระองค์ก็ตราดพระราชาตรัสว่าเมื่อบุตรของท่านเจริญวัยท่านจงนำมาอยู่กับเราโตแล้วก็ให้ม า, มารับราชการเหมือนกันต่อมากูมานั้นเจริญวัยเป็นผู้เห็นประโยชน์อันควรเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นคนฉลาดมาก มองอะไรอย่างทะลุปรุโปร่งไปหมดความที่มีปัญญาก็เลยสมควรที่จะเป็นผู้สั่งสอนพระราชาทั้งเจ็ดพระองค์ตอนที่ท่านเป็นคารวาสท่านเป็นอาจารย์สอนพระราชาเจองค์สอนเครือหบดีเป็นต้นตอนหลังโชติปาละมานพเนี่ยบวชบวชแล้วก็สั่งสอนจากสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายนนการสั่งสอน การสอนที่ดีก็คือสอนให้ออกจากสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วชักชวนให้ประกอบอยู่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์แนะนำให้ประกอบอยู่ในประโยชน์โลกนี้ประโยชน์ปัจจุบันแล้วก็ประโยชน์ในสัมปายภพอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ในสัมปายภพผู้ที่สั่งสอนที่ดีเขาก็จะขจัดออกไปเพื่อให้พ้นจากพิษภัยทุกโทษ สิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ก็ให้หันเข้าไปหาประโยชน์จัดแจงประโยชน์เหล่านั้นให้เกิดขึ้นเหตุที่มีเหตุที่เป็นผู้ที่มีปัญญามากเป็นที่เคารพ บ, บูชาแล้วก็เป็นผู้ที่มีสติปัญญาสอดส่องรู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอนาคตและปัจจุบันก็เลยมีชื่อว่าโชติปาระแปลว่าคนที่โชตินี่แปลว่าสว่างสวัยนะปาระแปลว่ารักษา เพราะว่าเป็นผู้รุ่งเรืองโชติปาระก็คือผู้รุ่งเรืองขณะเดียวกันท่านก็เป็นผู้ที่มีความสามารถในการอบรมและสั่งสอนก็คือแนะนำพระโพธิสัตว์นี้ปกติแล้วเนี่ยท่านเป็นลูกของโควินดพราหมณ์คือพ่อนี่ก็เป็นตําแหน่งปุโรหิตของพระราชาพระราชาเชื่อว่าที่สัมบดีเนี่ย ตอนหลังเมื่อบิดาของตนคือพ่อของโชติปารามนบเนี่ยล่วงลับไปและพระราชาก็สวรรคตแล้วก็ให้พระราชาเจ็พระองค์เนี่ยดำรงอยู่ในราชสมบัติโดยที่พระราชาทั้งเจ็พระองค์เจ็พระองค์มีใครบ้างก็คือหนึ่งพระเรนุพระราชาเนี่ยนะเรนุราชานั้นเป็นโอรสของพระเจ้าที่สัมบดีพระสหายราชาเนี่ยนะพระเรนุ ถือว่าเป็นสหายเป็นเพื่อนรักของโชติปาระานั่นนะบรรพราชาองค์ที่หนึ่งที่โชติปาระมนพสั่งสอนก็คือพร ะ, พระเจ้าเรนุสองก็พระเจ้าสัตตภูสก็พระเจ้าพรมทัตสี่ก็พระเจ้าเวสภูห้พระเจ้าภาระตะแล้วก็พระเจ้าทัตรตระเอ่อทัตารัตพระเจ้าทัตตารัตี่้มีอยู่สององค์ด้วยกันนัน ทำให้พระราชาไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ทะเลาะไม่วิวาทกันปกตินี้ยผู้ที่เป็นใหญ่มากๆอย่างนี้ทุกคนก็มีแต่อำนาจอำนาจเจออำนาจอะไรจะเกิดขึ้นโดยมากก็มีการรบมีการเข็นฆ่ากันมีการศึกแย่งแผ่นดินเป็นต้นก็จะเกิดขึ้นแต่เนื่องจากโคเวนทพรามหรือโชติปาละคนนี้ฉลาดสา ม, มารถที่จะแนะนาอัธรรม แนะนำให้พระราชาทั้งหมดเหล่านั้นไม่มีการทะเลาะวิวาทกันมีความสมัครสมานสามัคคีกันมีการปรองรองกันบ้านเมืองก็อยู่อย่างสงบร่มเย็นพระราชาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์เทวดานาคครืห บ, บดีในพื้นชมพูทวีปสการะนับถือบูชาอ่อนน้อมต่อต่อใครต่อโชติปารมามนบโดยตำแหน่งเขาเรียกว่ามาหาโควินทพรามเนี่ยนะ ท่านก็ได้ถึงฐานะเป็นที่เคารพอย่างสูงสุดเขาบอกว่าสมัยนั้นใครกลแอมยังต้องนอบน้อมต่อโควินท์ตะพราหมงันแกลแอมขึ้นมาคําหนึ่งบอกขอนอบน้อมแด่ ม, มาหาโควินต์ตะพราหมงันรียงว่าเป็นผู้ที่เคารพเขาเรียกว่าระดับาศาสตราระดับาศาสดาเลยนะเป็นาศาสดาใ ห, ใหญ่ที่พระโพธิสัตว์เคยเป็นาศาสดาหลายหลายหลายหลายชาติด้วยกันนะเช่นศาสดาเนี่ยชาติหนึ่งก็คือเนี่ย ชาสดาโคติโชติปาละก็คือมหาโควินทพรามคนนี้คนชาติ ก, กันกับที่เป็นโชติปาระมานพในสมัยศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะถือว่าคนยุกกันความที่โชติปาระหรือมหาโควินทพรามคนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่เคารพนับถือก็เลยชื่อว่า ทุกคนก็จะเรียกว่าท่านผู้เจริญโควินทพรามได้เป็นมหาโควินทพรามแล้วหนอคือพ่อของเขาเนี่ยเป็นโควินทพรามเฉยๆแต่ลูกนี้เป็นมหาโควินทพรามนันะเป็นก็ยิ่งใหญ่กว่าพ่อเยอะเนี่ยนะด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสเล่าให้ภาษาริบุตรฟังว่าอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นพราหมณ์นามว่ามหาโควินทะเป็นปุโรหิตของพระราชาเจ็พระองค์อันนรชนคือมนุษย์และเทวดาบูชาแล้ว หลังจากนั้นลาบสการะเป็นอันมากมายนับไม่ถ้วนที่พระราชาที่ตื่นเต้นด้วยอนุภาพของพระโพธิสัตว์กษัตริย์ก็นับถือพระราชาเหล่านั้นพรามขุรหาบดีชาวนิคมชาวชนบทก็นับถือมหาโควินตพรามมากคือที่เขานับถือเนี่ยไม่ใช่ว่านับถือเฉยๆแบบไม่มีเหตุผลนะไม่ใช่ว่าบุญเก่าเป็นเหตุให้นับถือแต่เนื่องจากโควินทพรามเนี่ยสามารถแนะนาประโยชน์ได้ เขาบอกว่าประโยชน์ในมนุษยโลกในสมัยนั้นที่พึงมีอยู่โควินทพรามสอนได้ทั้งหมดฉั้นประโยชน์ในโลกนี้ชีวิตในการครองชีพเนี่ยไม่มีอะไรที่โควินทภามสงสัยสามารถแนะนําให้เขาเหล่านั้นประสบแต่ความเจริญทั่นหน้าเพราะฉะนั้นทุกพวกเขาเหล่านั้นก็น้อมนาลาบสาการะไปถมถวายเนี่ยนะเหมือนกับห้วงน้ําใหญ่ท่วมทับโดยรอบเรียกว่าอะไรนะทุกทิศเนี่ยลาบสาการะหลั่งไหลมหาโควินทภามหมด เหมือนอย่างลาบสการะอันเกิดแก่ผู้สะสมบุญอันภัยบุญซึ่งได้สะสมไว้ในชาตินับไม่ถ้วนก็เนื่องจากผลบุญเก่าของท่านในอดีตความที่ท่านสั่งสมบุญมามากมา ก, ก็ทำให้เกิดลาบสการะผู้มีธรรมเกิดขึ้นแล้วมากมายเนี่ยพูดถึงทั่วไปเนี่ยผู้ที่มีลาบสการะก็คือผู้ที่มีธรรมเกิดขึ้นแล้วมีศีลาจารวัตเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้มีศีลเป็นที่รัก สำเร็จศิลปศาสตร์ทุกชนิดมีใจอ่อนโยนน่ารักแพรเมตตาหรือแพร่กุรณาไปในสรรพสัตว์ทั้งหลายเช่นกับบุตรอันนี้พูดถึงคุณธรรมของมหาโควินทรามมหาโควินทรามนี่ถือว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมมากนะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเช่นมีเมตามีกุณาเป็นต้นขณะเดียวกันท่านเป็นผู้ที่มีศีลาจรวั หมายความว่าความประพฤติทางกายวาจาใจของท่านเนีาสะอาท่านเป็นผู้ที่รักศีลความรู้ในสมัยนั้นเนี่ยทุกอย่างที่มีอยู่ท่านเรียนจบหมดเนี่ยนะเป็นคนที่เรียนจบศิลปศาสตร์ทุกแขนงทุกสาขาแต่ก็จิตใจของท่านนี้อ่อนโยนนะอ่อนโยนก็คือมีเมตตาซึ่งต่างจากบางคนที่มีความรู้แล้วก็เป็นผู้ที่เย่อหยิ่งมากแต่พระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีจิตใจที่อ่อนโยน มีความแผ่ ก, กรุณาไปในสรรพัพพะสัตทั้งหลายมองเห็นสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับลูกของตนหลังจากนั้นพระโพธิสัตว์ดําเรว่าบัดนี้ลาบสการะมากมายเกิดขึ้นแก่เราถ้าอะไรเราจะให้สัรพสัต์ทั้งหลายเนี่ยเ อ, อิบอิ่มด้วยลาบสการะนี้แล้วยังทานะบารมีให้บริบูรณ์ก็เกิดขึ้นว่าข้าวของก็มีเยอะแยะมีมากมายทํำยังไงดีมันเราควรให้เนี่ย ก็เลยสร้างโรงทานขึ้น6แห่งกลางพระนครหนึ่งที่ที่ประตูพระนครหนึ่งที่ที่ประตูพระราชินิเวศอีกหนึ่งที่แล้วยังมหาทานให้เป็นไปด้วยการบริจาคทรัพยาประมาณไม่ได้ทุกๆวันมันของขวัญใดๆที่มีผู้นำมามอบให้เพื่อประโยชน์แก่ตนก็นำเอาของขวัญเหล่านั้นทั้งหมดไปไว้ที่โรงทานเอาไปแจกเขาหมดเนี่ยนะเขาให้อะไรมาก็เอาไปแจกหมด เมื่อพระโพธิสัตว์ทา ม, มหาบริจาคทุกทุกวันอย่างนี้ความอิ่มใจก็ดีความพอใจก็ดีไม่ได้มีแก่ใจของพระโพธิสัตว์นั้นเลยนะนี่ก็ให้ยังไงก็ยังให้ไม่รู้จักเต็มม น, นะหมายคืว่าให้ขนาดให้มากมายอย่างนี้ก็ยังไม่รู้สึกว่าเต็มใจเลยหมายคืาว่าไม่รู้สึกว่าพอใจเลยมันเหมือนกับมันน้อยไปมันยังไม่พอมันอยากจะเพิ่มมันมีแต่อยากจะเพิ่มอยากจะเพิ่ม มีแต่อยากจะให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอจะเบื่อหน่ายจากการให้มาจากที่ไหนมันเหมือนกับอะไรนะเหมือนคนที่หิวกระหายเนี่ยนะได้น้ำมาดื่มก็จิบจิบเข้าไปเนี่ยเอ๊ะมันมีแต่อยากขึ้นไปจะเบื่อน้ำมาจากไหนเจตนาในการให้ท่านก็เหมือนกันท่านไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการที่จะให้ไม่มีใจที่จะเบื่อหน่ายจากการให้มีความสุขกับการให้แต่ว่า มันยังไม่พอใจนะมันยังไม่เต็มใจอยากจะเพิ่มปริมาณแห่งการให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่า น, นั้นอีกหมู่ชนผู้มายังโรงทานเพื่อหวังลาบของพระโพธิสัตว์ได้รับทยยรรมก็กลับไปทุกคนก็ประกาศคุณวิเศษของพระโพธิสัตว์โดยรอบทั้งภายในพระนครทั้งภายนอกพระนครมีเสียงเซ่เซงอึงคืนแปลว่าเสียงยกย่องสรรเสริญ เสียงเนี่ยชมเชยเป็นอันเดียวกันเหมือนมหาสมุทรมีห่วงน้ําเป็นอันเดียวกันหมุนวนไปเพราะกระทบพายุใหญ่ตั้งขึ้นตลอดกับฉะนั้นเครือว่าชื่อเสียงเนี่ยนะทุกคนพูดอะไรก็พูดถึงแต่โควินทพรามพูดไปพูดมาก็ตกไปที่โควินทพรามทุกคนก็พากันแต่ชื่นชมซ่องสาธุการแกโควินทพรามเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสเล่าให้ภาษาลีบุตรฟังในคาถาว่า ในการนั้นเครื่องบรรณาการอันใดในราชอาณาจักรทั้งเจดได้มีแล้วแก่ okay. เราเราได้ให้มหาทานร้อยล้านแสนโกดเปรียบด้วยสาครด้วยบรรณาการนั้นคือมันมากจนไม่รู้จะมากยังไงนะ <c oughs> นนเขนานะบอกว่าเลขหนึ่งตั้งเลขศูนย์ตามร้อยสี่เลขศูนย์สี่สิบสองตัวตามเนี่ยนะจะให้ทานขนาดไหน <c oughs> เลขหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเลขเลขศูนย์สิบตัวนี่กี่ล้าน呐นะ เลขศูย์เจ็ดตัวล้านหงเลขศูนย์แปดตัวสิบล้านเลขศูนย์เก้าตัวร้อยล้านเลขศูนย์สิบตัวก็พันล้านเลขศูนย์สิบเอดตัวก็หมื่นล้านถ้าเลขศูนย์สี่สิบสองตัวเท่าไหรด่ดีเนี่ยแหละก็เลยไม่รู้จะแปลงไงก็แปลว่าร้อยล้านแสนโกดมันเยอะมากมาให้นะให้เยอะมากแต่จริงๆบางคนก็บอกโอ้ยมันจะมากขนาดนั้นเลยหรือไม่ต้องแปลกใจหรอกประเทศไหนะมันจะใหญ่เท่าอินเดียไม่มีอีกแล้ว อินเดียเนี่ยนะเขาบอกว่าไอ้จากเมืองใครที่เคยไปไปอินเดียเนี่ยจากพุทธคยาไปพาราณสีก็บอกว่าท่านจะต้องออกเช้าๆหน่อยนะถ้าออกสายแล้วท่านจะติดรถสิบลอ้อเขาว่างั้นโอ้ยมันจะติดขนาดนั้นเลยหรือบอกใช่สิบลอ้อเป็นหมื่นคันนะสิบลอ้อเป็นหมื่นหมื่นคันเพรถ้ารถติดทีหนึ่งถ้าสิบลอ้อเสียคันหนึ่งนะจอดรอตรงนั้นวันหนึ่งพอดียี่สิบสี่ชั่วโมงก็มีหลายคณะที่ไปพักอยู่ยี่สสี่ชั่วโมงบนถนน สิบลอ้มม อ, ลอมันมากอย่างนี้รัฐเดียวนะเฉพาะไอ้รัฐพิหารแถวๆนั้นนะแล้วมันมีรัฐเดียวซะที่ไหนล่ะเพราะนัยเขาให้ได้มากมายขนาดนี้ไม่ต้องแปลกใจหรอกนะเพราะว่าแผ่นดินทั้งหมดถือว่าอยู่ในกำรร ม, มือของโควินต์ตะพราห์แต่ท่านเป็นคนไม่ไม่มักใหญ่ไฟสูงที่จะครองอํานาจทั้งหมดแก่ตัวเองเนี่ยนะท่านก็ยังเป็นผู้ที่มีเมตตามีใจกรุณาต่อผู้อื่นบ้านเมืองจะสงบร่มเย็นด้วยเหตุใดท่านก็ทําเหตุอันนั้น ในทุกคนก็บูชาในคุณธรรมของพระโพธิสัตว์เมื่อทุกคนเนี่ยนะบูชาในคุณธรรมของพระโพธิสัตว์สักการะทั้งหลายก็เช่นกับสาครอธิบายว่าในความไพยบู์บริบูรณ์อย่างกว้างขวางนะแล้วก็ขณะเดียวกันถึงท่านมีคุณธรรมมีข้าของมากมายขนาดนั้นอัธยาศัยแห่งการให้ในทายธรรมของท่านไม่มีจบมีสิ้น เหมือนกับอะไรเหมือนกับสาครอธิบายว่าทายธรรมในโรงทานของพระโพธิสัตว์ดุดน้ำสาครอันชาวโลกทั้งสิ้นนำไปใช้ก็ไม่สามารถจะหมดได้ลาบสการะนี่มากจริงๆแล้วคนที่ไปบริโภคสการะของท่านก็ไปบริโภคอย่างไรก็ไม่มีหมดมีสิ้นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะยังฝนคือทานใหญ่ให้ตกโดยไปไม่หยุดยั้ง ดดมหาเมฆในปฐมมากับเนีนะเพรว่าให้ทานมากมายขนาดนั้นเหมือนมหาเมฆคือเหมือนกับฝนที่ตกลงมามเป็นผู้ขวนขวายในทานในเวลาที่เหลือก็ไม่ประมาท น, นะปกติก็ถืออนนะอาชีพหลักของท่านมีอยู่สองอย่างคือให้ทานกับสอนธรรนมีอยู่สองอย่างเท่านี้นะสอนอัดสอนรมสอนประโยชน์แก่พระราชาเจพระองค์ ขณะเดียวกันยังมีพราหมณ์มหาสารอีกเจดท่านนะอีกเจ็ดท่านที่ยิ่งใหญ่มากเป็นมหาเศรษฐียุคนั้นน่ะแล้วก็สอนมนให้แก่ลูกศิษย์อีกเจ็ดร้อยคนไม่ใช่ช่างกระบอกช่างกระบกแปลว่าช่างตัดผมที่นี้หมายถึงลูกศิษย์ของท่านท่านมีลูกศิษย์เนี่ยประจำตัวเนี่ยนะไปไหนก็เจ0ดร้อยคนเนี่ยนะที่เป็นเด็กหนุ่มมาเรียนและท่านสั่งสอนอยู่ปกติ